ที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวตะเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งสภาพหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีผู้คนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวจะมีก็แต่คนแก่ชราและเด็กๆสภาพทั่วไปในหมู่บ้านเงียบเหงาวังเวงมากเลยนะคะต่อมามีผู้เท่าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้มาสนทนากับพระเรวตัต และได้เล่าให้ฟังว่าคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านนี้เข้าป่าไปตั้งกองจนเพื่อรอบโจมตีกองทหารของพระเจ้าอาชาติศัตรูโดยมีชาวหมู่บ้านนี้คอยส่งสเสบียงให้การสนับสนุนต่อมาทางการสืบทราบว่าหัวหน้ากองโจนที่ลอบโจมตีทหารนั้นชื่อนันทยะซึ่งก็เป็นลูกชายของเท่ากสปะนั่นเอง เพื่อเป็นการทำลายขวัญกองโจรชาวบ้านหัวหน้าทหารจึงมีคำสั่งให้หลงโทษเท่ากับสปะต่อหน้าต่อตาชาวบ้านอย่างไร้ความปราณีเราก็ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะเหตุการณ์ต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านรับฟังได้นับปัดนี้ค่ะ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 เราจะลงโทษพ่อเท่ากัส ป, ปะอย่างหนักเพื่อเป็นการตอบแทนว่าแล้วก็สั่งให้ทหารสองคนยึดแขนชายแก่กระชากให้ยืนขึ้นแล้วก็สั่งให้ทหารอีกคนหนึ่งเคี้ยนหลังชายแก่อย่างไม่นับดูก่อนท่านผู้มีอายุ ภาพทหารหนุ่มเคี่ยนคนแก่ผู้ไม่มีทางสู้ด้วยแส่หนังดูเป็นภาพที่น่าสงสารสังเวชเป็นที่สุดทุกครั้งที่แส่หนังแหวกอากาศดังเฟยวลงไปกระทบกับผิวหนังอันเหนี่ยวย่นของชายชราประชาชนคนดูจะสะดุ้งเลื่อเปล่งเสียงอุทานออกมาด้วยความหวาดเสียวบางคนก็เอามือปิดหน้าร้องไห้ภาพที่ประทับตาประทับใจของข้าพเจ้าอยู่จนกระทั่งบัดนี้ก็คือ ภาพหลานชายของชายแก่ร้องไห้วิ่งท้อไปหาปู่ของตนแต่ถูกทหารจับทุลู่ทุกังออกมาเขาต่อสู้ดินน้นรนตบตีถีบควนทหารผู้จับเป็นสามารถปากก็ร้องด่าทอด้วยคำหยาบคายต่างๆหยุดก่อนทหารเสียงหัวหน้าพูดขึ้นด้วยเสียงเขีบขาดเมื่อการเคลืนดาเนินไปชั่วครู่นทหารหัวหน้าจ้องดูชายชลา ด้วยใบหน้าทมึนถึงแล้วก็ถามขึ้นเป็นเชิงเยาะว่าเป็นอย่างไรพ่อเฒ่าเจ็บไหมชายฉลาไม่ได้โต้ตอบเขายังคงนั่งอยู่ในอาการอันสงบแต่มีแววแห่งความแข็งกร้าวอยู่ในดวงตาของเขาแผ่นหลังของเขาเต็มไปได้วยรอยแห่งแส่มีโลหิตซึมออกมาเป็นทางยาวในทหารหันไปทางประชาชนแล้วร้องขึ้นว่าเราขอประกาศให้พวกโจร เฉพาะอย่างยิ่งนันทิยะบุตรชายของพ่อเท่าทราบไว้ว่าทุกๆครั้งที่เขาโจมตีกองทหารเราพ่อของเขาจะได้รับโทษแบบนี้ถ้าท่านทั้งหลายสงสารพ่อเท่าไม่อยากให้เขาเจ็บตัวก็จงบอกให้คนของท่านให้เลิกเป็นโจรเสียให้ยอมมอบตัวแก่กองทหารหลวงเชียโดยดีมิฉะนั้นพ่อเท่าจะเจ็บตัวเอา้าทหารตีเข้าไปอีกชุดนึง พ่อขาดคำสั่งของนายทหารผลแท้ก็ยกแท้หนงขึ้นหดหลังพ่อเท่าอีกอย่างไม่นับชายชร า, าบิด ต, ตัวเร่าเล่าหน้าซียุกคิ้วขมวดด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแต่เขามีได้พูดหรือร้องแสดงความเจ็บปวดหรือวิงวอนขอความกรุณาจากข้าศึกเลยเมื่อทหารเชี่ยนต่อไปอีกครู่หนึ่งชายชร า, าก็เป็นลมสุดกายลงกับพื้น หมดสติสมปรดีไปท่านใดนั้นเองชาวบ้านที่ดูอยู่รอบๆก็ลุกขื้นตรูเข้าไปหาชายแก่แต่ถูกฐานถือดาบอันคมกริบไล่ต้อนออกมานั่งอย่างที่เดิมขณะนี้บรรยากาศระงมไปได้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญเป็นที่น่าเวทนายิ่งนัก หทหารได้สั่งให้ทหารหยุดเคี่ยนแล้วก็ป่าประกาศต่อไปว่านี่คือโทษของการโจมตีกองทหารหลวงอย่าลืมว่าท่านอันทียขืนโจมตีเราอีกพ่อของเขาก็จะถูกเคี่ยนแบบนี้หรือถูกทรมานร้ายแรงกว่านี้ไม่เฉพาะพ่อของเขาเท่านั้นแม้แต่ภรรยาของเขาและบุตรของเขาก็จะถูกลงโทษอย่างหนักเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนจำไว้ ครู่ใหญ่ผ่านไปพ่อเท่ากสปะฟื้นขึ้นมานายทหารหันไปทางเขาและพูดขึ้นว่านี่แหละพ่อเท่าถ้าท่านไม่อยากเจ็บตัวอีกก็บอกลูกชายของท่านอย่าให้โจมตีเราอีกเข้าใจไหมพ่อเท่าใจเพชรหัวเราะออกมาอย่างไม่หวาดกลัวแล้วกล่าวว่า <c oughs> ท่านผู้มีอำนาจ <c oughs> อย่าว่าแต่ท่านจะเกี้ยงข้าพเจ้าให้เจ็บปวดกายเลย แม้แต่ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าเสียให้ตายข้าพเจ้าก็จะไม่ยอมบอกให้นันทิยะหยุดต่อสู้เป็นอันขาดตรงกันข้ามข้าพเจ้าจะสั่งให้เขาทําการต่อสู้ล้างผลาญเสี่ยนน้ําของแผ่นดินให้หนักมือยิ่งขึ้นท่านคิดว่าข้าพเจ้าคงจะหวาดกลัวต่อแส้ของท่านไม่มีวันเสียละท่านพราชบุรุษข้าพเจ้าไม่เคยนึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยแม้แต่ความตายข้าพเจ้ายังไม่กลัว นับภาษาอะไรกับแส่หนังแค่นี้เชิญเชื่ อ, เ, อเข้าไปเจ้าตามสบายเลยคำพูดของชายแก่ดูจะทำให้ในายทหารโกรธแค้นถึงที่สุดเขายืนจ้องดูชายชร า, าด้วยดวงตาเป็นประกายครบกลามแน่นยู่เท้าสั่นระลิกตรงเข้าไปช่วยเอาแส่จากนายทหารแล้วยกขึ้นฟาดหลังชายแกอย่างเปรี้ยวกดัดจงกระทั่งชายแก่เป็นลมล้มพับไปอีกครั้งหนึ่ง แม้กละนั้นก็ยังไม่ยอมหยุดเที้ยนท่านใดนั้นก็มีหญิงฉลาคนหนึ่งร้องไห้น้ำตาฟูมฟายออกไปนั่งคุกเขา่าอยู่แทบเท้านายทหารแล้วพูดวิ่นวอนขึ้นว่าท่านผู้ทรงอำนาจขอได้โปรดเถิดอย่าได้ทรมานคนแก่ต่อไปอีกเลย ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าข้าพเจ้าจะพยายามพูดจาชักนำให้เขาบอกกับนันทิยะให้เลิกต่อสู้กับกองทหารหลวงข้าพเจ้าคิดว่าจะทำได้สำเร็จเพราะเขาก็เป็นพี่ชายของข้าพเจ้าและเคยเชื่อฟังข้าพเจ้าเสมอขอได้โปรดเถิดคำวิงวอนของหญิงฉลาได้ผลนายทหารโยนแส้ไว้ข้างๆตัวชายแก่ยกมือขึ้นปาดเนือบนหน้าผากแล้วก็กล่าวออกมาว่าดีมากแม่เทา ขอให้แม่เท่าพยายามทำตามสัญญานะท่านนันทิยะยังโจมตีเราต่อไปอีกแม่เท่าก็จะถูกลงโทษด้วยอย่าลืมละ่ะเขาได้หันไปทางประชาชนแล้วก็ตัดโกนขึ้นทั้งที่ยังหอบว่าท่านทั้งหลายถ้าใครคนใดคนหนึ่งในพวกท่านสามารถจะจับตัวนันทิยะได้ไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเพราะพระเจ้าอาชาติตรูจะประทานรางวัลให้เป็นเงินถึงหนึ่งพันกหาปณ ะ, ะทันที และถ้าใครสามารถจับตัวเทวมิตรหัวหน้าใหญ่ได้ว่าจะจับเป็นหรือจับตายจะได้รางวัลถึงสองพันกหาปณะนะขอให้จำไว้และประกาศต่อๆกันไปด้วยในที่สุดทหารหมู่นั้นก็จากไปทางทิศเหนือทันทีที่พวกทหารให้หลัง ชาวบ้านก็กลูกันเข้าไปหาร่างของชายแก่ซึ่งนอนสลบลุกฝุ่นอยู่กับพื้นดินหลายคนช่วยกันประคับประคองร่างอันบอบช้ำของเขาไว้บนตักส่งเสียงร้องสั่งกันให้เอาน้ำและหยุบยามาพยาบาลรักษาดูเป็นภาพที่โกลาหลอ น, อนลมนันน่าสงสารยิ่งนักข้าพเจ้าเองไม่สามารถจะช่วยอะไรได้จึงได้แต่ยืนดูและแผ่เมตตาธรรม ขณะที่ชาวบ้านกำลังจุนลุลวุ่นวายกันอยู่นั่นเองข้าพเจ้าก็ออกเดินทางจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่ทางทิศตะวันตกอากาศในตอนเช้ายัางไม่ร้อนแรงเกินไปนักเหมาะสาหรับการเดินทางเมื่อเดินทางข้ามทุ่งนาไปเป็นเวลานานก็ถึงชายป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ข้างทางและมีเด็กเลี้ยงโคกำลังนั่งอยู่รอบๆ บ, บ่อหลายคนข้าพเจ้าได้แวะเข้าไปนั่งพักใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง เพื่อจะขอน้ําจากเด็กเลี้ยงโคดื่มกินแก้กระหายพอข้าพเจ้านั่งลงเท่านั้นเด็กสามสี่คนก็กรูกันเข้าม า, าหาและไต่ถามว่าข้าพเจ้าเป็นใครมาจากไหนเมื่อทราบว่าข้าพเจ้าเป็นพระภิกษุมาจากกลุ่มราชครื้เขาก็แสดงความสนใจยิ่งขึ้นข้าพเจ้าเองไม่ทราบว่าทําไมเขาจึงเกิดความสนใจในตัวข้าพเจ้าเป็นพิศเศษเช่นนั้น ท่านมีข่าวดีอะไรบ้างท่านผู้เจริญเด็กคนหนึ่งซึ่งมีอายุมากกว่าเพื่อนถามขึ้นคำถามของเขาทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกงงงวยไม่น้อยทําไมเขาจึงเห็นข้าพเจ้าเป็นคนนําข่าวไปได้ก็ไม่ทราบไม่มีข่าวดีอะไรมีแต่ข่าวร้ายข้าพเจ้าตอบไปตามตรงเด็กๆทุกคนมีสีหน้าสลบทลงและก็ถามขึ้นเกือบจะพร้อมๆกันว่าข่าวร้ายอะไรกันหรือท่านผู้เจริญ ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาฉันพักค้างคืนที่หมู่บ้านฟากทุ่งนาข้างโน้นในตอนดึกสงัดพวกกองโจรได้บุกเข้าโจมตีค่ายทหารที่ตั้งอยู่ชายป่าใกล้หมู่บ้านค่าทหารหลวงตายเกือบหมดเหลือรอดไปไม่กี่คนขณะที่ข้าพเจ้าพูดยังไม่ทันจบพวกเด็กๆต่างก็กระโดดโร้อเต้นส่งเสียงโห่ร้องแสดงความดีใจนี่ด้วยคือข่าวร้ายของท่าน มันเป็นข่าวดีที่สุดของพวกเราท่านไม่ทราบดอกหรือท่านสมณนะจากปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกมาต่อข่าวนั้นข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าเด็กเลี้ยงโคเหล่านั้นล้วนจะเป็นพักพวกของกองโจรทั้งสิน้นเมื่อข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังถึงการที่ทหารหลวงเขี่ยฉายชราอย่างทารุนเด็กๆต่างแสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างเห็นได้ชัดเพื่อจะได้ทราบความจริงอะไรบางอย่างจากเด็กเลี้ยงโค ข้าไปเจ้าจึงถามว่าในป่านี้มีโจรชุกชุมหรือไม่มีเด็กคนหนึ่งตอบแต่ท่านไม่ต้องกลัวดอกเพราะพวกโจรไม่ทำร้ายสมณะแต่เวลาเดินผ่านป่าไปท่านควรระวังอย่าเดินออกนอกทางเดินเป็นอันขาดประเดี๋ยวจะได้รับอันตรายจากหลุมพรางที่เต็มไปด้วยกวากหนามท่านมีข่าวอะไรจะไปแจ้งแก่พวกโจรหรืออ๋อไม่มีหรอก ข้าพเจ้าตอบฉันไม่ได้เป็นพักพวกของโจรหรือของใครฉันเป็นกลางเดินทางจาลิกไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายจุดประสงค์ของฉันก็คือการปฏิบัติธรรมและสั่งสอนให้คนตั้งอยู่ในความดีเด็กมองดูหน้ากันคล้ายกับเห็นว่าคําพูดของข้าพเจ้าเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนท่านเป็นสมณะองค์แรกที่ไม่ใช่พักพวกของเรา เด็กคนหนึ่งพูดขึ้นด้วยอาการแสดงความผิดหวังว่าแล้วก็ถอยห่างออกไปเด็กคนอื่นๆก็ลุกขึ้นเดินตามเข้าไปเขาไปยืนจับกลุ่มปรึกษากันอยู่ครู่หนึ่งขีไม้ขี้หมือนมาทางข้าพเจ้าแล้วก็ออกเดินทางจากไปทางฝูงโคของเขาปล่อยข้าพเจ้าไว้ในความสงบคนเดียวอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงว่าสุดเทวะปริภาชกอีก รู้สึกว่าการปลอมตัวเป็นนักบวชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในเหล่าโจรสักวันหนึ่งทหารหลวงของพระราชาคงจะจับนักบวชปลอมเหล่านี้ได้แล้วความหายนะก็จะเกิดขึ้นแก่นักบวชจริงๆทั้งหลายข้าพเจ้านั่งคิดอยู่ใต้ต้นไม้จนหายเหนื่อแล้วจึงได้ออกเดินทางเข้าป่าไป ท่านผู้มีอายุพอพ้นป่าข้าพเจ้าก็บรรลุถึงทุ่งนาอีกแห่งหนึ่งเลยทุ่งนาไปมองเห็นหมู่บ้านตั้งอยู่บนเนินดินสูงข้าพเจ้าแวะเข้าพักใต้ต้นไม้เพื่อนั่งพักผ่อนขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายมากแล้วฝูงเด็กเลี้ยงโคกำลังต้อนฝูงโคกลับคืนสู่หมู่บ้านเป็นห ม, มู่ๆข้าพเจ้านั่งดูฝูงโคและเด็กด้วยความรู้สึกสบายใจอย่างยิ่ง เพราะมันเป็นภาพแห่งความสงบสุขไม่มีพิษมีภัยเป็นภาพแห่งความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างคนและสัตว์เดรัจฉานแม้แต่คนกับสัตว์ยังสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขขณ น, นมนุษย์ด้วยกันแท้ๆจึงไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบได้เล่าเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ความรู้สึกต่อหน้าที่ของพระภิกษุผู้สอนมนุษย์ให้ตั้งอยู่ในความสงบสุขได้กลับคืนมาสู่จิตใจของข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ภาพความทารุนโหดร้ายที่ทหารหลวงทำต่อชายชรลายังจำชัดอยู่ในดวงจิตของข้าพเจ้ามันก่อให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์และอยากช่วยกำจัดความเลวร้ายต่างๆให้หมดสิ้นไปจากโลกแต่ข้าพเจ้าจะทำได้ละลืกในเมื่อพระบรมศาสดาก็ยังไม่สามารถจะกระทำได้ ทนผู้มีอายุขณะที่ข้าพเจ้ากำลังคิดคำนึงอยู่นั่นเองภาพอันน่าสะเทือนใจอีกอันหนึ่งก็เกิดขึ้นมีทหารหลวงประมาณสิบคนกำลังจับหญิงชาวบ้านสามคนดึงทูดื้อถูกกังออกมาจากในป่าดูคล้ายกับนักโทษที่กำลังถูกนำตัวไปสู่แถลงแกงเกิดอะไรขึ้นอุบาสกข้าพเจ้าออกปากถามขณะที่ทหาร เดินมาถึงร่มไม้ที่ข้าพเจ้าพักอยู่ทหารผู้เป็นหัวหน้านำหญิงนักโทษทั้งสามเข้ามานั่งพักใต้ต้นไม้พางตอบว่าท่านสมณะเธอทั้งสามนำอาหารไปส่งกองโจรในป่าโดยเอาห่ออาหารผูกไว้ที่ท้องเอาผ้าคลุมเสียทำทีว่ากาลังทรงคันแก่ทุกๆเวลาบ่ายจะพากันเข้าสู่ป่าทาทีว่าไปเก็บฟืน เราสงสัยมานานแล้ววันนี้จึงสะกดรอยตามไปดูปรากฏว่าเธอทั้งสาได้นำห่ออาหารจากท้องออกซุกไว้ในที่ที่นัดหมายไว้กับพวกโจรเอาใบไม้แห้งห่อผ้ามัดติดท้องแล้วก็เอามัดฟืนเทินศีรษะเดินกลับบ้านในที่สุดเราก็จับได้ดังที่ท่านเห็นอยู่นี้เธอทั้งสจะได้รับโทษทันประการใดอุบาสก ข้าพเจ้าถามด้วยความเป็นห่วงต่อชะตากรรมของสตรีทั้งสามตามกฎของเราทั้งสามจะต้องตายท่านสมณะเราจะนำเธอเข้าสู่หมู่บ้านประชุมชาวบ้านทั้งหมดให้มาดูเป็นบทเรียนว่าถ้าช่วยเหลือพวกโจรจะได้รับผลตอบแทนอย่างไรแล้วก็จะจัดการประหารชีวิตเสีย พนายทหารพูดจบหญิงคนหนึ่งในบรรดา3ามคนก็ส่งเสียงร้องกรีดขึ้นสุดเสียงแล้วก็ต่อสู้ดินน้นรนเพื่อให้หลุดจากการจับของทหารแต่ไม่มีผลอย่างใดเธอดินน้นรนและส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลั่งจนหมดแรงแล้วก็หยุดไปเองข้าพเจ้าได้พยายามขอร้องในทหารให้ผ่อนผันโทษให้แก่นักโทษหญิงทั้งสอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ได้ผล ในที่สุดนักโทษทั้งสามก็ถูกนำตัวเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อเผชิญกับชะตากรรมอันน่าสยดสยองนั้นต่อไปท่านผู้มีอายุขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปพักอาศัยอยู่ที่เรือนว่างหลังหนึ่ง ภายในหมู่บ้านนั้นเองพอตกถึงตอนค่ำเหตุการณ์ก็ดำเนินไปตามที่นายทหารพูดไว้ทุกประการพวกชาวบ้านซึ่งล้วนแต่สตรีเด็กและคนชราได้ถูกต้อนมาประชุมกันที่สนามกลางหลานบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งค่ายของทหารหลวงด้วยพวกทหารได้ก่อไฟกองใหญ่ขึ้นที่กลางสนามญิงผู้เคาะร้ายทั้งสาม ได้ถูกนําตัวมาผูกมัดไว้กับหลักใกล้ๆ ก, กับกองไฟข้าพเจ้าสามารถมองเห็นใบหน้าอันหม่นหมองของเธอทั้งสามได้อย่างชัดเจนเมื่อได้เวลาในทหารได้ก้าวออกมายืนข้างหน้านักโทษทั้งสาแล้วประกาศขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าจำจะต้องประหารชีวิตสตรีทั้งสามเสียเพราะมีความผิดหนักที่ได้ส่งสเสบียงอาหารให้แก่โจรผู้เป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดินเพื่อมิให้คนอื่น ถือเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปท่านผู้เจริญขณะที่นายทหารกำลังบรรยายขู่ขวัญชาวบ้านด้วยเสียงอันดังอยู่นั่นเองก็ได้มีเสียงคนผู้ชายร้องตะโกนมาจากทางด้านหนึ่งว่าพวกโจรกำลังเข้าโจมตีกองทหารที่ตั้งเป็นยามรักษาการไว้ทางทิศใต้บู่บ้านท่านใดนั้นเองความโคลาหนนลนโคลมานก็เกิดขึ้นบรรดาทหารที่ถือดาบคุมประชาชนอยู่ ต่างวิ่งเป็นแถวไปทางทิศใต้เพื่อช่วยพันกั่วของตนประชาชนต่างแตกอือ่อหลบเข้าสู่บ้านช่องของตนอย่างจุลบุญวุ่นวายไม่รู้ว่าใครเป็นใครข้าพเจ้าสังเกตเห็นคนสามคนถือโอกาสนั้นเข้าไปแก้เชือกที่มัดหญิงนักโทษทั้งสาไว้ปล่อยให้เธอเป็นอิสระไปขณะที่เสียงการต่อสู้กำลังเดินเดินไปอย่างพึงมีที่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้านนั้นเอง ก็มีเสียงตะโกนดังมาจากทางด้านทิศเหนือว่าพวกโจรได้ยกกำลังเข้าโจมตีพวกหน่วยทหารรักษาการทางด้านนั้นอีกต่อจากนั้นไม่นานข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นทหารกองโจรปรากฏตัวออกจากทุกคนทุกแห่งวิ่งไล่ฆ่าฟันทหารหลวงเป็นพราวันหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านได้กลายเป็นสนามรบไปในชั่วพริบตาเหตุการณ์จุลมุนวุ่นวายดําเนินไปเป็นเวลานานมาก แต่เสียงการสู้รบก็ค่อยๆเบาลงเบาลงแล้วก็หายเงียบไปข้าพเจ้ายังไม่ทราบว่าใครเป็นฝ่ายชนะจนกระทั่งเห็นทหารกองโจรแบกทหารของตนที่ได้รับบาดเจ็บมานอนเลียงเป็นแถวไว้ที่สนามากลางบ้านจึงทราบแน่ว่าฝ่ายกองโจรเป็นผู้มีชัย จากนั้นเหตุการณ์จุรมุลครั้งที่สองก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้บรรดาชาวบ้านทุกเพศทุกวัยได้วิ่งกรูจากบ้านของตนออกมาห้อมล้อมทหารโจรบ้างก็กุลีกุจอนำน้ำดื่มมาให้บ้างก็เข้าพยาบาลบาดแผลให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บเสียงชาวบ้านกับทหารโจรสนทนาไต่ถามกันครุกบเคล้าด้วยเสียงร้องควนคลางของทหารโจรผู้บาดเจ็บ ดังเสียงแฟงระงมไปหมดมันเป็นภาพแห่งความสุขผสมกับความเศร้าที่ยากแก่การบรรยายเมื่อความดีใจต่อชัยชนะได้รับการแสดงออกเต็มที่แล้วความสนใจของฝูงชนก็ไปรวมอยู่ที่ทหารโจรผู้บาดเจ็บซึ่งร้องระงมครวญครางอยู่ด้วยระดับเสียงต่างๆกันเมื่อเสียงครวญครางยุติลงก็แสดงว่าเปลวแห่งชีวิตของเขาได้ดับลงด้วย ต่อจากนั้นก็ เ, เป็นเสียงร้องไห้ค่ำครวญของ บ, <Yeah. S 1> บรรดาญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่เหตุการณ์เช่นนี้ดำเนินไปครู่หนึ่งและหัวหน้าโจรก็ประกาศว่า <ini> พ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย <in> เราได้ปฏิบัติหน้าที่ของเราจนประสบชัยชนะมาแล้วแต่บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากไปเพราะเกรงว่าในไม่ช้าทหารหลวงกองใหญ่คงจะยกมาปราบปรามพวกเรา ว่าแล้วเขาก็สั่งให้พลพรรคที่เหลือห้ามคนเจ็บและรวบรวมเอาสเบียงอาหารที่ชาวบ้านนามาให้ทหารจนทั้งหมดก็ยกพลออกจากหมู่บ้านไป ท่านผู้มีอายุในที่สุดความสงบเงียบก็กลับคืนมาสู่หมู่บ้านนอกจากเสียงเห่าพรอนของสุนัขที่ดังมาเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายกับอยู่ในโลกคนเดียวท่ามกลางหมู่บ้านที่ถูกยึดไว้โดยผู้ผีปีศาจในยามเช่นนั้นข้าพเจ้าได้หวนคิดถึงหน้าที่ของตนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเมื่อโลกเต็มไปด้วยการเขียนฆ่ากันเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะปลีกตัวอยู่คนเดียวหาความสุขเฉพาะตัวปล่อยให้แผ่นดินมาคดรัดนองไปด้วยเลือดและน้ำตากระนันเลือดเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เดินไปบิณฑบาตในหมู่บ้านข้าพเจ้าได้พบกับภาพอันนาเศร้าใจอีกภาพหนึ่งกล่าวคือขณะที่ข้าพเจ้ากำลังรับบิณฑบาต อยากชายแก่คนหนึ่งอยู่ที่ริมถนนได้มีหญิงแก่คนหนึ่งผู้มีหน้าตามนมองมีผมเผ่ารุงรังมีเสื้อผ้าขาดกระลุ่มกระลิงเดินโซเซมาตามถนนพูดพึมพำมาคนเดียวบางทีก็หัวเลาะจ้องดูข้าพเจ้าอยู่เป็นเวลานานแล้วก็ร้องไห้โผลเข้ามาซุดตัวลงแทบเท้าของข้าพเจ้า กอดขาของข้าพเจ้าไว้นัน่นปากก็พร่ำบ่นว่าลูกเอ้ยเจ้ากลับคืนมาแล้วหรือเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเจ้าไม่กลับไปหาแม่แม่ดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าว่าแล้วก็ร้องไห้ข้ามครวนต่อไปข้าพเจ้ายืนนิ่งอยู่ด้วยความงุนงงต่อเหตุการณ์ พูดอะไรไม่ออกยิงประหลาดเงยหน้าอันนองด้วยน้ำตาขึ้นมองหน้าข้าพเจ้าแล้วก็พร่ำบ่นต่อไปลูกเอ้ยอย่าปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวแม่แกแล้วแม่ไม่มีที่พึ่งใดๆอยู่ในโลกพ่อของเจ้าก็สิ้นชีวิตไปนานแล้วกลับไปอยู่กับแม่เถิดลูกรักว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินดึงชายกีวรของข้าพเจ้าไว้ในมือท่านผู้เจริญชายฉลาพูดขึ้นทางสายสิสอยางเหนื่อยหน่าย อย่าได้ไปถือสานางเลยนางเป็นหญิงวิคนจริตเดินซัดเซเนจรไปทั่วหมู่บ้านและตามทุ่งนาป่าไม้พอเห็นนักบวดรูปใดรูปหนึ่งเข้าก็ทึกทักเอาว่าเป็นบุตรของตัวแบบนี้แหละว่าแล้วชายแก่ก็หันหน้าไปทางหญิงชลาบอกว่าน้องหญิงขอเชิญเธอกลับบ้านไปก่อนเถอะขณะนี้บุตรของท่านกำลังเดินบินบัตอยู่กลางหมู่บ้าน ขอให้เธอกลับไปที่บ้านก่อนเตรียมที่เต ร, รียมทางไว้ให้ดีเมื่อบินธบาตเสร็จแล้วบุตรของท่านก็จะไปหาเธอที่บ้านเองคำพูดของชายชราได้ผลหญิงวิคนจริตวางมือจากชายจีวรของข้าพเจ้าแล้วก็เดินถอยออกไปนางยกมือขึ้นชี้หน้าข้าพเจ้าแล้วพูดขึ้นว่าเสร็จจากบินธบาตแล้วไปพบแม่ที่บ้านนะลูกนะแม่จะกลับไปเตรียมที่เตรียมทางและพัดฒหารไว้ให้ เราจะได้บริโภคอาหารร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่าลืมนะลูกนะว่าแล้วนางก็หัวเราะลั่นด้วยความดีใจและเดินโซเซจากไปข้าพเจ้ายังคงยืนแน่นิ่งก้มหน้ามองพื้นดินด้วยความสงสารสั่งเวทใจเสียงหัวเราะของหญิงวิกลจริตดังแว่วมาอีกแต่แทนที่จะทำให้เกิดความเบิกบานใจเมือเสียงหัวเราะทั้งหลายมันกลับเสียดแทงหัวใจของข้าพเจ้า ให้เก็บปวดอย่างแสนสาหัสอุบาสกนี่อัตมาจะไม่ต้องไปบ้านหญิงวิกลจริตตามที่ท่านพูดไว้ดอกลึกข้าพเจ้าถามชายชาลาด้วยความกังวลใจอ๋อไม่ต้องร็อกท่านสมณะชายแก่ตอบพอเราจากไปแล้วนางก็จะลืมเรื่องนี้เสียสนิทแล้วก็จะสัตยเซเนจรไปตามเรื่องของนางอย่าได้ถือเป็นสำคัญเลย จึงกลายเป็นคนวิกลจริอุบาทกแล้วทาไมนางจึงชอบทึกทักว่าสมณะเป็นบุตรของนางเข้าไปเจ้าถามด้วยความสงสัยอ้อเรื่องมันมีดังนี้ท่านสมณะเมื่อก่อนนางก็เป็นคนสติสมบูรณ์อย่างเรานี่แหละอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวในกระท่อมท้ายหมู่บ้านสามีของนางตายมาหลายปีแล้วนางก็ได้อาศัยบุตรชายเป็นผู้ทาไรไ่ไถนาหาเลี้ยงขีพ ต่อมาเมื่อบ้านเมืองเกิดยุคเข็นขึ้นบุตรชายของนางได้ไปเข้าเป็นพักพวกโจรอยู่ในป่าร่วมลบร่วมลุกกับพวกกองโจรแต่เขาก็ปลอมตัวเป็นภิกษุออกมาเยี่ยมมารดาอยู่เสมอเขาเป็นชายหนุ่มผู้กล้าหาญและทำการลบได้อย่างเก่งกล้าสามารถมากแต่นั่นแหละท่านสมณนะธรรมดาหมองงูก็ยอมตายเพราะงูหมอช้างก็ยอมตายเพราะช้างฉันใด นักรบก็ยอมตายเพราะการรบฉันนั้นในการเข้าโจมตีกองทหารหลวงคราวหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองปรากฏว่าบุตรชายคนเดียวของนางได้ถูกอาวุธฆ่าสิ้นตายด้วยความเสียใจอะไรลักลูกอย่างท่วมท้นหัวใจทำให้นางกลายเป็นคนวิกลจนิดไปดังที่ท่านได้เห็นแล้วตอนกลางวันนางจะท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายพูดคุยอยู่คนเดียวหัวเราะสลับร้องไห้ ผู้คนเห็นเข้าเกิดความสงสารก็ให้อาหารแก่นางกินตอนกลางคืนนางก็กลับสู่กระท่อมนอนรุ่งเช้าขึ้นก็ออกตะเวนต่อไปทุกๆครั้งที่เห็นนักบวชนางจะต้องตรงเข้าไปเรียกหานักบวชว่าลูกชายและดึงจะให้ไปบ้านอย่างที่นางทากับท่านเมื่อสักครู่นี้แหละอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายของนางเคยปลอมตัวเป็นภิกษุมาพบนางบ่อยๆ ก็อาจจะเป็นได้ท่านผู้มีอายุเรื่องราวของหญิงวิกลจริตทำให้ข้าพเจ้าเห็นความทารุนโหดร้ายของสงครามทำให้คิดอย่างหนักในอันที่จะช่วยระ ง, งับดับเพลิงสงครามอันเผารนคุกรุ่นอยู่ทั่วไปในบริเวณรอบๆกลุงราชกฤห์ข้าพเจ้าเห็นว่าต้นต่อสำคัญของความธารุนโหดร้ายเหล่านี้อยู่ที่บุคคลคนเดียวเท่านั้นและบุคคลคนนั้น ก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีถ้าข้าพเจ้าสามารถดับเพลิงพยาบาทในใจของเขาลงได้เพลิงสงครามก็อาจจะดับลงด้วยแล้วความสงบสุขก็จะกลับคืนมาสู่มคตรัฐข้าพเจ้าเดินทางต่อไปอีกหลายวันผ่านหลายหมู่บ้านคามนิคมและทุกแห่งที่ผ่านไปก็ได้ยินแต่ข่าวอันโหดร้ายทารุณของคู่ศึกทั้งสองฝ่ายข่าวทหารกองโจร เข้าโจมตีที่นี่ข่าวกองทหารหลวงโจมตีกองโจรที่นั่นคนตายเท่านั้นบาดเจ็บเท่านั้นชาวบ้านผู้ให้ความร่วมมือกับโจรได้ถูกทหารหลวงจับทารุณกรรมบ่อยๆแต่มีข้อหน้าสังเกตยอยู่อย่างหนึ่งว่าในการลบทั่วทวไปฝ่ายกองโจรมีชัยมากกว่ากองทหารหลวง ขึ้นวันหนึ่งขณะที่พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าได้ทราบข่าวร้ายว่าขณะ น, นี้พระเจ้าปเสนที่โกศลแห่งโกศลรัฐกำลังยกกองทัพหลวงมาเพื่อจะโจมตีกรุงราชคฤห์เพราะแค้นเคืองต่อการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูองค์พระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาและทรงกระทำทารุณกรรมต่อพระราชเทวีผู้เป็นพระราชมารดา ข่าวนี้ทาให้กองโจรได้ใจกาเริบเสรบสามยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าอาชาศัตรูก็ได้ทรงทาการปราบปรามหนักมือยิ่งขึ้นเพื่อจะปราบปรามกองโจรอันเป็นศัตรูภายในให้ลาบคาบก่อนที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพอันเกรียงไกรของโกศนรัฐกลยุทธ์สุดท้ายที่พระองค์ทรงนาออกใช้กับพวกกองโจรก็คือ ได้จับอามารดาบิดาญาติพี่น้องของโจนชั้นหัวหน้าทั้งหมดไว้เป็นตัวประกันแล้วประกาศให้พวกโจนทั้งหลายยอมแพ้เสียแต่โดยดีภายในเจ็ดวันมิฉะนั้นพระองค์จะจับตัวประกันฆ่าเสียให้หมดเมื่อได้ทราบข่าวนี้ข้าพเจ้าเกิดความวิตกกังวลต่อสวัสดิภาพของบุตรภรยาของเทวมิตาอุบาสกขึ้นมาทันทีข้าพเจ้าได้ตัดสินใจ เดินทางเข้าสู่กรุงราชกฤตแในบ่ายวันหนึ่งได้พบกับเทวมิตรอุบาสกในรูปของวสุเทวะปริพาชกใต้ต้นไม้ท่านผู้เจริญวสุเทวะกล่าวด้วยใบหน้าหม่นหมองผิดปกติผลพักของเขาจวนจะประสบชัยชนะอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นกองทัพของพระเจ้าประสิทิที่โกศลก็กำลังจะยกมาช่วยเราแต่แล้วพระเจ้าอาชาศัตรู ก็นำกลยุทธ์อันสุขโปรกออกมาใช้อัตมารทราบแล้วเขาพระเจ้าจริงพูดขึ้นก่อนท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูจะกล้าฆ่าตัวประกันของเราเทวมิตรถามด้วยทีท่าแสดงความวิตกกังวลอัตมาไม่มีความสงสัยใดๆแม้แต่พระบิดาบังเกิดกล้าวของตนพระองค์อย่างฆ่าได้เช่ไห น, นพระองค์จะไม่ฆ่าคนอื่นเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เป็นศัตรูของพระองค์โดยตรงเล่าคำตอบของข้าพเจ้าทำให้หัวหน้าโจรผู้ยิ่งใหญ่ถอนหาใจยาวจ้องตาอันแข็งกร้าวไปทางประตูกลุ่มราชครึ่งคู่ใหญ่ผ่านไปเขาจึงกล่าวออกมาอย่างเขียบขาดว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าเขาจะฆ่าตัวประกันของเราหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าเชื่อว่าคนของเราที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกัน คงจะยินดียอมตายเพื่อเราและเพื่อมคดรัตเราจะสู้ต่อไปท่านผู้จเจริญสู้จนกว่าจะประสบชัยชนะเวลานี้ชัยชนะก็อยู่แค่เอื้อมแล้วพระเจ้าประเสริที่โกศลสนยกทัพมาถึงเมื่อไหร่พระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เลวสามต่ำช้าจะต้องถึงวาระสุดท้าย ดูก่อนอุบาสกอัตมารทราบดีว่าเวลานี้ท่านไม่ใช่เทวมิตรอุบาสกผู้มีใจประกอบด้วยธรรมอันสูงส่งอีกต่อไปแล้วแต่เป็นหัวหน้าพรรคพวกโจรผู้ยินดีในการเค้นฆ่าผู้อื่นแต่ถึงกระนั้นอัตมาก็หวังดีต่อท่านอยากแค่ช่วยท่านให้พ้นจากความทุกข์ถ้าท่านยังเคารพนับถืออัตมาอยู่อัตมาก็อยากจะสนทนากับท่านนานๆเทวมิตร จ้องดูข้าพเจ้าคล้ายกับเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนแปลกหน้าแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญแม้ข้าพเจ้าจะเร็วสามต่ําช้าเพียงใดข้าพเจ้าก็ยังเคารพนับถือท่านอยู่ถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วอาตมาอยากจะพูดอะไรบางอย่างเมื่อสักครู่นี้ท่านกล่าวพนามพระเจ้าอาชาศัตรูว่าเป็นคนทั่วช้าเร็วสามท่านอาศัยเหตุผลอะไรจึงกล่าวเช่นนั้นก็จะไม่ชั่วช้าเร็วสามได้อย่างไรเล่า ท่านผู้เจริญในเมื่อเขาฆ่าบิดาบังเกิดกล้าของตนได้ลงคอซ้ำยังทรมานมารดาของตนเองอย่างทารุณโหด ร, ร้ายอีกด้วยเอาละอัตมาเห็นด้วยว่าพระเจ้าอาชาศัตรูเป็นคนชั่วเพราะฆ่าบิดาของตนเองอัตมาจะขอถามท่านว่าเมื่อเราเห็นคนชั่วกระทำกรรมชั่วและกำลังเดินไปสู่นรกจำเป็นด้วยหรือที่เราจะต้องทำกรรมชั่วอย่างเขา และเดินทางร่วมกับเขาไปสู่นรกไม่จำเป็นเลยท่านผู้เจริญเทวมิตรตอบด้วยเสียงอ่อยๆแต่แล้วก็ปฏิบัติอย่างแข็งขันว่าแต่ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำความชั่วตามอย่างพระเจ้าอาชาสัตรูท่านผู้เจริญตรงกันข้ามข้าพเจ้ากำลังพยายามเพื่อกำจัดคนชั่วให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินมคตรัฐต่างหาแตอตามาก็เห็นว่า ท่านกำลังจะกระทำชั่วตามอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูเพราะท่านกำลังจะฆ่าบุตรภรรยาของท่านเองฆ่ามารดาบิดาญาติมิตรของบรรดาลูกน้องของท่านอย่างโหดร้ายทารุณเช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาศัตรูข้าพเจ้าจะฆ่าอย่างไรท่านผู้เจริญเทวมิตรเถียงอย่างแข็งขันข้าพเจ้าไม่ได้ฆ่าพระเจ้าอาชาศัตรูต่างหากเล่าจับเขาไปเป็นตัวประกัน และจะฆ่าเขาแต่พระองค์จะฆ่าก็ต่อเมื่อท่านไม่ยอมแพ้ยังขืนรบต่อไปเท่านั้นถ้าท่านยอมแพ้เสียภายในเจ็ดวันพระองค์ก็จะไม่ฆ่าเพราะฉะนั้นความเป็นความตายของเขาเหล่านั้นจึงขึ้นอยู่ที่ท่านหาได้ขึ้นอยู่ที่พระเจ้าอาชาศัตรูไม่ถ้าท่านขืนรบต่อไปก็เท่ากับท่านสั่งให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าเขาซึ่งก็มีผลเท่ากับท่านฆ่าเขาเองเมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เท่ากับว่าท่านกระทําความชั่วตามอย่างพระเจ้าอาชาศัตรูและกําลังเดินตามพระองค์ไปสู่นรกพระเจ้าอาชาติศัตรูยังดีเสียอีกเพราะพระองค์ฆ่าบิดาของตนคนเดียวแต่ท่านจะฆ่าบุตรภรรยาของท่านเองพร้อมทั้งมารดาบิดาบุตรภรรยาญาติพี่น้องของผลพักของท่านอีกเป็นจํานวนร้อยเหตุผลของข้าพเจ้าทําให้เทวมิตรอุบาสกนั่งนิ่งเป็นนานทีเดียว ท่านผู้เจริญเขากล่าวขึ้นในที่สุดห ม, หมายความว่าท่านกําลังจะแนะนําให้ข้าพเจ้ายอมแพ้ศัตรูของเราเพื่อช่วยชีวิตคนของเราไว้กระ น, นั้นหรืออุบาสกเอ๋ยอัตมาไม่ขอร้องให้ท่านยอมแพ้และจะไม่ขอร้องให้พระเจ้าอาชาศัตรูยอมแพ้จะไม่มีฝ่ายใดแพ้ฝ่ายใดชนะในการต่อสู้คราวนี้แต่จะขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายเลิกหลากกันไปเอง การเข็นฆ่าทารุนกันจะได้ยุติลงความสงบสุขจะได้กลับคืนมาสู่มคตรัฐท่านจะทำอย่างไรท่านผู้จเจริญเทวมิตรถามด้วยท่าทางสนใจถ้าท่านรับรองว่าจะเลิกการต่อสู้ภายในเจ็ดวันอาตมา จ, จะเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูขอร้องให้พระองค์เลิกการปราบปรามกองโจรและพระราชทานอภัยแก่พลพรรคโจรทั้งมวล ปลดปล่อยตัวประกันทั้งหมดที่จับไว้คืนทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ยึดไว้แก่ศัตรูเสียไม่เอาความผิดจากกองโจรให้เป็นอันเลิกแล้วกันไปท่านจะเห็นดีด้วยกับความคิดนี้หรือไม่เทวมิตรออุบาสกนั่งนิ่งคิดอยู่เป็นเวลานานและตอบว่าท่านพู้เจริญสำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นแนวความคิดที่ดีมากถ้าฝ่ายพระเจ้าอาชาศัตรู ก็ทำได้จริงตามที่ท่านพูดข้าพเจ้าจะต้องไปปรึกษากับพลพรรคดูก่อนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ขอให้ท่านมาพบกับข้าพเจ้าที่นี่อีกท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าเทวมิตรอุบาสกตกลงจะเลิกลบบรรดาพลพรรคของเขาก็คงจะตกลงด้วยอย่างไม่มีปัญหาเพราะทุกคน เขาลบลักในเทวมิตรอย่างสูงทําให้ข้าพเจ้าเกิดความหวังขึ้นมาลางๆขึ้นวันนั้นข้าพเจ้าได้เข้าไปพักอยู่ในพระเวรุวานารามที่พระเวรุวนารามนี่เองข้าพเจ้าได้รับข่าวดีอีกชิ้นหนึ่งภิกษุชรารูปหนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านผู้เจริญเมื่อสองสมวันมานี้พระเจ้าอาชาติศตรูได้มาทรงกระทําทักษิณานุประทานกุศล อุทิศส่วนบุญถวายแก่พระราชบิดาพระองค์มีพระวรกายสู้ผอมมีพระพักตร์หม่นมองตรัสว่าคิดถึงพระชนกรู้สึกเสียพระไทยอย่างสุดซึ้งที่ได้หลงเชื่อพระเทวทัตและปลงพระชนพระราชบิดายิ่งกว่านั้นกระผมก็ยังได้ทราบว่าพระองค์เพิ่งจะได้พระราชโอรสใหม่ๆซึ่งประสูติแต่พระเทวีข้าราชบริพาณบางคนได้เล่าให้ผมฟังว่า ความรักอย่างซาบซึ้งที่พระองค์มีต่อพระโอรสนั่นเองทําให้พระองค์หวนคิดถึงพระราชบิดาแล้วเกิดความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งถ้าหากจะมีสิ่งใดที่พระองค์จะทรงกระทำเพื่อแก้บาปที่พระองค์ได้กระทำไว้พระองค์จะกระทำทันทีเรื่องราวที่สะพุม า, ารีเล่าให้ฟังทําให้ความหวังของข้าพเจ้าแน่นแฟนมั่นคงยิ่งขึ้นดังนั้นในวันรุ่งขึ้น ฉันพัตตาห์แล้วข้าพเจ้าจึงชวนพิสุกรูปนั้นเข้าสู่พระราชนิเวศเพื่อเฝ้าพระเจ้าอาชาศัตรูราชบุรุษนําเราเดินผ่านห้องน้อยไปพ้นในห้องอันโอดโถงห้องหนึ่งแล้วก็เข้าไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบในไม่ช้าพระเจ้าอาชาศัตรูก็เสด็จออกมาพร้อมด้วยราชบุรุษใกล้ชิดสองคนพระคุณเจ้ามีกิจธุระอันใดหรือ จึงได้มาพบข้าพเจ้าถึงในราชนิเวศ ท, ทรงถามขึ้นหลังจากประทับนั่งลงบนพระแท่นแล้วก็ยกพระหัตถ์ขึ้นไหวอัตมาภาพชื่อเรวัตเทระเคยเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวรุวรณารามก่อนได้ทราบว่าเวลานี้มหาบาพิธกำลังมีพระราชกรณียกิจยุ่งเหยิงไหนจะต้องจัดงานการเมือง ไหนจะต้องปราบเสียนหนามของแผ่นดินไหนจะต้องเตรียมไพ่พลไว้ต่อสู้กับอริราชศัตรูอัตมาภาพรู้สึกเห็นพระไทยและอยากจะช่วยเหลือมหาบพิษในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้มีอะไรบางเล่าที่พระกุณเจ้าเห็นว่าจะพอช่วยข้าพเจ้าได้อัตมาภาพพอจะช่วยได้ในด้านการเจรจาให้พวกกองโจรเลิกสู้รบ คำตอบของข้าพเจ้าดูจะทำให้กษัตริย์หนุ่มทรงแปลกพัทยอยู่บ้างพระองค์ทรงมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรแสดงความสงสัยอัตมาภาพรู้จักคุ้นเคยกับเทวมิตรหัวหน้าใหญ่ของกองโจรเป็นอย่างดีเพราะเมื่ออัตมาภาพยังอยู่ที่พระเวรุวัานารามเขาก็าไปสมาทานศีลและฟังธรรมเป็นประจำอัตมาเชื่อว่าจะเจรจาให้เขาเลิกได้ ถ้าท่านช่วยเจราจาให้เขาเลิกลบได้จริงก็เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวงทีเดียวแต่ข้าพเจ้ายังสงสัยว่าถ้าคุณเจ้าจะทำอย่างไรอาตมาภาพรับรองว่าอาตมาภาพทำได้ถ้าได้รับความร่วมมือจากมห า, าพิษพระคุณเจ้าจะให้ข้าพเจ้าร่วมมืออย่างไรบ้างอาตมาภาพไคขอให้มห า, าพิษทรงประธานอภัย แกพลพรรคโจรทุกคนอย่าได้ถือโทษโกรธเคืองคิดลงพระราชอาญาปล่อยให้เขากลับคืนสู่บ้านประกอบการงานเลี้ยงชีพเป็นปกติส่วนบรรดาบิดามารดาญาติบิดของพวกโจรที่มหาบาพิษจับตัวไว้เป็นตัวประกันก็ให้ส่งปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระเสียทราบสมบัติเคหาสถานบ้านเรือนของเขาที่ทรงยึดไว้ ก็ส่งประทานคืนให้เขาเสียถ้าพระองค์ส่งกระทาตามเงื่อนไขสามประการนี้ได้อัตมาภาพรับรองว่าพวกโจรจะหวังอาวุธทันทีกระสัหนุ่มส่งยิ้มอย่างมีความหวังแล้วตรัสขึ้นว่าเงื่อนไขทั้งสามข้อที่พระกุณเจ้าเสนอ ม, มานั้นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอาจจะกระทาได้อย่างสบายเพราะข้าพเจ้าเคยคิดไว้แล้วเหมือนกันข้าพเจ้า อยากจะให้เหตุวุ่นวายในรัฐสงบราบคาบไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้จะได้มีโอกาสเตรียมรับมือกับกองทัพแห่งโกศลรัฐอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเป็นกังวลกับค่าสิทภายในเป็นอันว่าข้าพเจ้ายินดีรับเงื่อนไขทั้งสามประการของท่านท่านผู้มีอายุ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจอย่างล้นพ้นที่ได้เห็นพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงตกลงรับเงื่อนไขทั้งสามประการอย่างง่ายดายที่จะให้เหตุการณ์ภายในสงบรเรียบร้อยก่อนที่กองทัพของพระเจ้าประสิทธิี่โกศลจะมาถึงอัตมาภาพขออนุโมทนาในน้ำพระทัยอันสูงส่งของมหาบาพิษนับว่ามหาบาพิษทรงบุงต่อสันติภาพและทรงหวังดีต่อไพร่ฟ้าข่าแผ่นดิน อย่างแท้จริงถ้าพวกโจรได้ทราบถึงน้ำพระทยัยอันแท้จริงของพระองค์คงจะหมดความอาฆาตพยาบาทและเกิดความจงรักภักดีในมหาบุพิธอย่างแน่นอนข่าแต่พระคุณเจ้ากระสัดหนุ่มจักด้วยพระพักตร์หมุนมองลงในชีวิตของข้าพเจ้าได้ประกอบกรรมชั่วอันหนักยิ่งไว้เพราะความเขาไม่รู้เท่าถึงการ ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจมากต่อกรมชั่วนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้รับผลของกมชั่วนั้นแล้วข้าพเจ้าได้รับความทุกข์ทรมานทางใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับประชาชนบางส่วนก็โกรธแค้นจริงช่างข้าพเจ้าจนกระทั่งตั้งเป็นกองโจรขึ้นต่อต้านข้าพเจ้าทราบดีว่าเขาโกรธแค้นข้าพเจ้าและต่อสู้ข้าพเจ้าก็เพราะความชั่วของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าไม่อยากจะตอบโต้ปราบปรามเขาเลยแต่ก็จําเป็นต้องกระทําตามหน้าที่ถ้าเขาจะเลิกต่อสู้ข้าพเจ้าก็ยินดีที่จะให้อภัยแก่ทุกคนยิ่งกว่านั้นถ้าใครต้องการจะสมัครเป็นทหารในกองทัพหลวงเพื่อรบกับอริราชศัตรูข้าพเจ้าก็ยินดีจะรับเพราะยังติดใจในฝีมือการรบของเขาอยู่มาก ผูมีอายุในบ่ายวันนั้นเองข้าพเจ้าได้ออกไปพบกับเทวมิตรตามนัดและแจ้งให้เขาทราบว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูส่งรับเงื่อนไขสามประการด้วยความยินดีเทวมิตรก็แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าพลพักของเขาก็พร้อมที่จะหยุดลบถ้าได้รับเงื่อนไขทั้งสาประการนั้นเป็นอันว่าแผนการและการดําเนินงานของข้าพเจ้าดําเนินไปอย่างราบรื่น เกินคาดหมายข้าพเจ้ารีบกลับคืนสู่พระราชนิเวศแล้วกลับทูลให้พระเจ้าอาชาติศัตรูส่งทราบถึงความตกงใจของฝ่ายกองโจรข้าัตรมทรงดีพระไทยเป็นอย่างมากและตัดขอบคุณข้าพเจ้าเป็นการใหญ่ ลุกขึ้นราชบุรุษก็ขึ้นขี่ม้าออกเตเวนเปล่าประกาศไปทั่วทุกหมู่บ้านขามนิคมว่าบัดนี้พระเจ้าอาชาตศัตรูได้ทรงประทานอาภัยแก่โจรทุกๆคนขอให้โจรทั้งหลายกลับคืนสู่บ้านเลือนของตนและประกอบสัมมาอาชีพต่อไปเป็นปกติสุขในเวลาเดียวกันบรรดานักโทษทั้งหลายที่ถูกจับไว้เป็นตัวประกันก็ได้รับการปลดปล่อย ให้กลับคืนสู่บ้านของตนกองทหารหลวงที่ตั้งค่ายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆก็ทยอยยกพลกลับสู่นครราชสีฝ่ายกองทหารโจรก็ทยอยกันออกจากที่หลบซ่อนคืนสู่บ้านภายในสามวันเท่านั้นความสงบสุขก็กลับคืนมาสู่มครับ ในเวลาต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูได้รับสั่งให้อดีตโจรหัวหน้ามีเทวมิตรเป็นประธานเข้าเฝ้าและพระราชทานเลี้ยงเพื่อปรับความเข้าใจอันดีต่อกันในพระราชนิเวศได้มีพลพรรคโจรเป็นอันมากไปสมัครเข้ารับราชการในกองทัพหลวงและเพราะความสามารถของทหารโจรเหล่านี้เองกองทัพของมคขรัต จึงสามารถปราบกองทัพของพระเจ้าเปรตเซนที่โกศลได้อย่างราบคาบในเวลาต่อมาท่านผู้เจริญเทวมิตะอุบาสกกล่าวกับก้าพเจ้าที่พระเวลุวนารามในเย็นวันหนึ่งท่านเป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งยามสุขและยามทุกข์เพราะอาศัยท่านแท้ๆเราจึงรอดพ้นจากความหายนะบัดนี้สงครามได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอนิมนต์ท่านอยู่เป็นที่พึ่งแกเ่เราที่พระเวรุวรณารามนี้ต่อไปดูก่อนอุบากสกสงครามของท่านอาจจะยุติลงแล้วแต่สงครามของอาตมายัางไม่ยุติอาตมาจะต้องสู้ลบขับเกี่ยวกับข้าศึกภายในคือกิเลสต่อไปสงครามของอาตมาเป็นสงครามกองโจรที่จะต้องไปลบในป่าแบบเดียวกับสงครามของท่านฉะนั้น อัตมาจึงขอลาท่านออกเดินทางท่องเที่ยวจาลิกต่อไป สันติสุขที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงก็กลับคืนมาสู่มกตรัฐพระนะครราชคลที่เงียบเงาซบเซาช่วระยะเวลาหนึ่งได้กลับเป็นนครที่มีชีวิตชีวาคึกคัก ด, ดั่งเดิมถนนและล้านตลาดเกลื่อนกล่นไปด้วยพ่อค้าประชาชนจากบ้านใกล้เมืองไกลอารามอันน่าเรื่นรมและเทวะลัยทุกพ่านไปด้วยสมณะชีพราม และลัทธิศาสนาต่างๆแม้กระทั่งกระแตในพระเวรุวนารามก็ดูท่าทางคึกขนองลำพองใจวิ่งขวักไควไปมาบนกิ่งไม้ไผ่ซึ่งออกไปเขียวจะอุ่มร่มเย็นด้วยว่าบัตรนี้ฤดูฝนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกๆเวลาเย็นจะมีกลุ่มเมฆมหฮือมาทั้งเขาขึ้นทางขอบฟ้าด้านปัจจิจมทิศก่อนแล้วโคจร ไปในน่านฟ้าเที่ยวแจกจ่ายอุทธกธาราอันเย็นช่ำแก่ภาคพื้นทั่วแหวนมคตดรัฐมวลรุกชาติและตินชาติซึ่งเหี่ยวเฉามาตลอดคิมหันตะืดูได้เริ่มผิออกดอกออกใบเขียวสะพั่งจนเต็มท้องนาท้องทุ่งฟุ้งปะสุสัตว์ที่อดอยากหิวโหยพร้อมโซมาเป็นเวลานานต่างอ้วนพีล่ำสันพร้อมที่จะช่วยมนุษย์ ลากไถลากคลาดในท้องทุ่งไม่มีทัศนียภาพใดจะนำความสุขสงบใจมาให้แก่ผู้พบเห็นได้ดีไปกว่าภาพฝูงโคฝูงใหญ่ยืนระเลมหญ้า ก, กินอยู่อย่างสงบในทุ่งนาสีเขียวมีภูเขาสีน้ำเงินแก่แห่งพระนครราชครืและปุยเมฆสีขาวเป็นฉากตั้นอยู่เบื้องหลังและไม่มีฤดูกาลใดในรอบปีจะนาความสุขใจ มาให้แก่ชาวมกรัฐได้ดีกว่าต้นวสันหรือดู